ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันน า, นาพระอมาราภิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาโรจนาต่อไปจะเป็นสุทิกาปาจิตตีในวัคที่เจ็ดชื่อว่าสัปปานากาวัตรประดับด้วยสิกขาบทสิบ สังกิจจาปานสิขาบทที่หนึ่งความว่าเพี้ยกดแกล้งฆ่าสัตว์เตีรฉานที่เป็นอยู่แม้เล็กเท่าไข่เลือดไข่เห่าหรือใหญ่กว่าดีให้ตายเป็นปาจิตตีอย่างเดียวก็แต่ในสัตว์ใหญ่เป็นอาคุศลกรรมใหญ่เพราะประโยคใหญ่ในสัตว์มีชีวิตสงสัยอยู่หรือไม่ใช่สัตว์มีชีวิตสำคัญว่าสัตว์มีชีวิตหรือสงสัยอยู่เป็นทุกกฎ รู้ว่าไม่เฉสัตเป็นอนาบัติไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้ไม่ประสงค์จะให้ตายและที่ตูบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอาบัตวินัยไฉนอกนั้นมีนายดังกล่าวแล้วในมนุษยสวิกหะปาราชิตก็คือค่ามนุษย์นั่นเองสมุดฐาก็เหมือนกับอธินนาทานติฆาบทนะแต่ว่าติฆาบทนี้เป็นอกุตรจิตทุกเวทนาถ้าเป็นอธินาทานนั้นมีเวทนาสามอาุตรจิตเวทนาสาม เป็นกิติยาสัญจิกะเป็นสัญญาวิโมกเปโลกระบะกายกรรมจีกรรมอกุศรจิตเป็นทุกเวทนาข้อนี้ต่อไปในสั ป, ปานะกะสิกขาบทที่สองความว่าพิสุใดรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์สัตว์จะตายด้วยการบริโภคน้ำนั้นและเธอก็บริโภคน้ำนั้นคือดื่มกินและอาล้างภาชนะรดเทใดใดก็ เป็นปาจิตตีทุกๆประโยคเลยวิธีใช่นอกนั้นในสิทธิบัตรนี้พึงรู้โดยในกล่าวแล้วในสินชนะสิทธิบัตนั่นเองดังั้นการใช้น้ำก็จะมีสองข้อนะข้อแรกก็รดน้ําลงที่หญ้าหรือดินอันนั้นก็เป็นปาจิตตีเหมือนกันข้อที่สองก็บริโภคน้ํามีตัวสัตว์ถ้ารดน้ํามีตัวสัตว์รู้อีว่าน้ํามีตัวสัตว์รดน้ในหญ้าหรือดินเป็นปาจิตตีอันนั้นอยู่ในอยู่ในปูตคามวัตรแต่ว่า สิกขบนี้บรรพกน้ำมีตัวสัตว์อยู่ในสปาณกาวัคคละวะกันแต่ว่าในภูตะคามวัคข้อที่สิบสันจินจนะก็สมุทฐานเหมือนกันก็คือเป็นอจินอาทานสมุทฐานเหมือนกันสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตแล้วก็เป็นกิริยาสัญญาวิโมกสจิตตกะเป็นปันนติวาชาัชะกายจกรรมจีการ ม, มีจิตตามเวทนาสามเหมือนกันในอุโกโตนะสิกขาบทฝืนนิติกรที่พระธรรมอีก เพื่ออธิการที่ทำเสด็จตามทำเพื่อทําอีกในสุขามบทที่สามคำว่าอธิกรสี่ 3, ก, ก็คืออาธิการหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสงฆ์เนี่ยวิวาธาธิกรณ์ทุ่มเถียงแก่งแย่งกันด้วยธรรมวินยัยนี่ชื่อว่าวิวาธาธิกรณ์ความวิวาทกันโจทด้วยศีลวิบัติอาจารวิบัติทิศฐิวิบัติอาชีววิบัติอันใดอันหนึ่งชื่อว่าอานุวาธาธิกรณ์เรื่องก็คือการโจดกัน วิวถาธาิกรก็คือเรื่องราวมาถึงการทะเลาะวิวาทกันเรื่องธรรมวินัยอาบัติทั้งเจ็ดกองอันใดอันหนึ่งซึ่งที่จูกต้องเขาแล้วชื่อว่าอาปัตตาธิกอรอปโลกน ก, กรรมยัติกรรมยัติทุติยกรรมยัติจตุติกรรมทั้งสี่นี้สิงไดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแต่สงสงจะพึงทำชื่อว่ากิจจาธิกรกิจที่สงจะต้องทำเช่นการบวชพระทำกระถินอุโบสถปรนนาพวกนี้เป็นสังฆกรรมเป็นกิจจาธิกรงนั้น อธิกรณสี่นี้อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นสงรมงับแล้วด้วยสมถะเจ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอธิกำหนดสมถะเจ็ดก็เครื่องระงับอธิกรณเจ็ดอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งระงับโดยธรรมแล้วที่จุใดรู้อยู่ว่าสงรมงับแล้วและไปตู่สำนักที่จุนั้นๆกล่าวว่ากรรมซึ่งระงับอธิกรนั้นสงทําไม่ดีต้องทําใหม่เป็นต้นดังนี้แล้วก็เลิกถอนเสียงเพื่อจะทําใหม่เป็นป่าจิตตีในกา ร, รเป็นธรรมสงสัยอยู่ก็ดี ในกรรมไม่เป็นธรรมสําคัญว่าเป็นธรรมหรือว่าสงสัยอยู่ก็ดีเป็นทุกข์ก็สำคัญว่าไม่เป็นธรรมในกรรมนั้นๆและรู้อยู่ว่าสงทํากรรมไม่เป็นธรรมหรือเป็นวัตรหรือทําแก่คนไม่ควรแก่กรรมและปิสุกเป็นบ้าเหล่านี้ไม่เป็นอบัติข่าบทข้อนี้ก็เป็นะนาณติกะใช้ให้ไต่รู้อันไม่เป็นต้องตัวเองเป็นธรรมเองมีองศางก็คืออธิกรณ์สงระงับแล้วตามธรรมอย่างหนึ่ง รู้อยู่อย่างหนึ่งแล้วก็เลิกเสียอย่างหนึ่งก็คือฟื้นนั่นเองพร้อมด้วยองคศาสนนี้จึงเป็นปัญจิตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินาฐานสิกขาบทแปลกแต่ข้อ น, นี้ก็เป็นทุกขเวทนาสมุทฐานสามเหมือนอธินาฐานและกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตในทุตุลลปฏิจฉาดนะปกปิดอบัตชั่วหยาบสิกขาบทที่สีความว่าทิกจุใดรู้อยู่ว่าทีกจุอื่นต้องทุตุลลาบัตคือสังขาริเศษ และช่วยปิดอาบัตแห่งพิจุนั้นไว้ด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งต้องพาจิตตีถ้าปรงธุระเสียว่าจะไม่บอกและภายหลังกลับบอกก็ชื่อว่าต้องพาจิตตีแล้วแล้วก็กลับบอกถ้าปรงธุระเสียดังนี้แล้วบอกผู้อื่นเพื่อจะให้ปิดแม้ผู้อื่นก็บอกเพื่อจะให้ปิดโดยอุบายดังนี้แม้สมณะร้อยหนึ่งเมื่อเงื่อนยังไม่ขาดตราบใด ก็คงต้องดูตาบนะั้นก็คืออบัติทุกคนเลยถ้าไปบอกเขาว่าคุณคุณที่สุดรูปนั้นเนี่ยนะต้องอ ბ ัตสำคัญที่เศษอย่าไปบอกใครนะอันนี้ก็คนบอกนี่ก็ปิดอบัตนะนะต้องอ ბ ัตปฏิจตีพระที่สุดที่ได้ยินแล้วก็ไปบอกรูปอื่นว่ออาท่านท่านที่สุดรูปนั้นต้องอัติสำคัญที่เศษอย่าไปบอกใครนะเป็นอบัติปยิจตีไปเรื่อยเลยไปบอกให้ปิดบอกให้ปิดเนนะีะ <ๆ S 2> ก็ถามว่าอย่างไรเงื่อนจริะขาด ก็ตอบ ว, ว่าถ้าผู้ต้องบอกแก่ผู้หนึ่งหมายถึงผู้ที่ได้รับการบอกแก่ผู้หนึ่งแล้วเนี่ยนะแม้ผู้หนึ่งนั้นก็บอกแก่ผู้อื่นผู้อื่นนั้นผู้ใดบอกเธอกลับมาบอกแก่ผู้นั้นกลับมาบอกแก่คนเดิมถ้าเวียนเกิดมาบอกคนเดิมเมื่อไรคือบุคคลที่สามบอกแก่คนที่สองดังนี้แล้วเงื่อนจึงจะขาดในทุตุลบัตรสงสัยอยู่หรือว่าสําคัญว่าใช่ทุตุลาบัตรก็คือเข้าใจว่าไม่ใช่ ทุตุลาบัตน บ, บัตช่วยยาเป็นทุกกฎถ้าไม่ใช่ทุตุลาบัตในอันใช่ทุตุลาบัตก็คือไม่ใช่ทุตุลาบัตเป็นติด ก, กับทุกกฎช่วยปิดอัาจฉารย์ช่วยยาบและไม่ช่วยยาแห่งอนุสัมพันธ์เป็นทุกกฎอย่างเดียวคิดว่าการทะเลาะวิวาจะมีแก่สงหรือคิดว่าผู้นี้ร้ายกาจหยาบช้าจะทําอันตรายแก่ชีวิตและโพรมจร์ดังนี้แล้วไม่บอกนิ่งไว้กว็ดี ยังไม่เห็นที่ฉุกที่สมควรก็ยังไม่บอกหรือไม่ปรารถนาจะปิดและนิ่งอยู่ไม่บอกด้วยคิดว่าเธอจะปรากฏด้วยกรรมของตนเองและที่ถูกบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัตสิขาบทานี้ก็เป็นอนานาติกะใช้ให้ทําไม่เป็นต้องทำเองมีองค์สองก็คือรู้อยู่ว่าอุปสมบัติต้องทุตุลบัตบัตหนักบัตชั่วยา แล้วก็อันที่สองก็คือปรองธุระเสียว่าเราจักไม่บอกแก่ผู้อื่นด้วยหวังจะช่วยปิดไว้พร้อมที่องค์สองนี้จึงเป็นปัจจิตตีเป็นสมนุภาพสนะสมุทฐานอาบัตเกิดแต่กายวาจาจิตสมุทฐานเดียวกายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญยมิโมกส จ, จิตตกะโลกวัชะเป็นกายกรรมวจีกรรมแล้วก็เป็นอกุศลจิตทุกขเวทนาต่อไปในโอนะวีสติวัตสัทขาบทที่ห้า ถามว่าพิสุใดรู้อยู่และเป็นอุปชาให้บุคคลมีปียี่สิตั้งแต่ถือปฏิทินทิมายังย่อนอยู่ยังไม่เต็มอุปสมบทเป็นลิสุเป็นปาจิตตีก็คือถ้าอายุยังไม่ครบยี่สิตั้งแต่ปฏิทินที่เนี่ยนะถ้ารู้อยู่แล้วให้บวช ต, ตั้งปาจิตตีสําหรับอุปชาลิสุนอกนั้นผู้เป็นคณะปกทั้งหมดต้องทุกข์กตส่วนบุคคลนั้นแม้อุปชาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ให้อุปสมบทเข้าคงไม่เป็นอุปสัมบันิถ้าไม่ครบยี่สิบปีนี่บวชแล้วยังไงก็เป็นสมณีนไปถ้าแล้วผู้นั้นล่วงสิบป ansa ไปเป็นอุปชาให้คนบวชอื่นอุปสมบทถ้ายกอุปชานั้นเสียคณะปกครบไใสผู้อุปสมบทใหม่ชื่อว่าเป็นอุปสมบันิถ้าพระสุสิรูุขึ้นไปยกเว้นอุปชาแล้วเนี่ยนะเป็นบวชให้คนอื่นอุปชาถึงแม้ไม่เป็นพระก็จริงก็ว่าบวชให้คนอื่นก็ ค, คนอื่นก็นนยังเป็นพระอยู่ อุปสมบทแล้วด้วยดีแม้ผู้ที่ไม่เป็นอุปสมบัตินั้นยังไม่รู้ตัวตราบใดยังไม่เป็นอันตรายแก่สวรรค์ลและนิพพานแก่ผู้นั้นตราบนั้นรู้แล้วพึงอุปสมบทเสียใหม่สมุทฐานก็สามเหมือนกันเหมือนทินนาทานสิกขาบทกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญยายิโมกขจิตตะกาปันนติปะชะกายกรรมบัญชีกรรมแล้วก็จิตสามเวทนาสามต่อไปเถยากัทถะสิกขาบทที่หกความว่า โจรทําโจรกรรมแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทํำก็ดีบุคคลหลอกลวงพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าคนอ้อมดานขนอนก็คือไม่ยอมเสียภาษีให้เนี่ยพวกใดพวกหนึ่งเป็นพวกเดินทางชื่อว่าเถรยะสัทธาพวกเวียนพวกต่างผู้เป็นโจรเนี่ยนะพวกโจรที่สุใดรู้อยู่ว่าเป็นพวกโจรดังนั้นและชักชวนกําหนดการด้วยกันทั้งสองข้างว่าเราจงไปวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ต้องทุกกดเพราะชักชวนก่อนแล้ว ทำไม่ให้ผิดสังเกตการที่กําหนดไว้เดินทางไปด้วยกันถึงผิดสังเกตทางผิดสังเกตดงก็ตามถ้าเดินไปทางบ้านยังไม่ลงอุปจาระบ้านอื่นที่ใกล้กันชั่วไกลเที่ยวไปถึงยังไม่เป็นอบัตกรเมื่อล่วงอุปจาระบ้านอื่นในเท้าทีแรกเป็นทุกกดในเท้าที่สองเป็นปาจิตติเดินทางป่าไม่มีบ้านต้วงกึ่งโยต์แต่จิโรเมตรก็เหมือนกันนะ เป็นอาบัติมากน้อยนับด้วยการลงอุปการราบ้านอื่นและร่วงกึงโยดมนุษย์ไม่ได้ชักชวนก็คือพวกโจรนก็นไม่ได้ชักชวนทิคตุชักชวนเองข้างเดียวหรือว่าเป็นหมู่โจรทิคตุสงสัยอยู่หรือไม่ใช่หมู่โจรแต่สําคัญแล้วเป็นหมู่โจรและสงสัยอยู่คดีเหล่านี้เป็นทุกกฎถ้าพวกมนุษย์เขาไม่ได้ชวนทิคตุไปชวนนี่นะก็ต อ, อาบัติทุกกฎถ้าชวนทั้งสองฝ่ายก็า อ, อาบัติปจิตติน ที่สูดสำคัญว่าไม่ใช่หมู่ชนก็ดีไม่ได้ชักชวนเป็นแต่เดินไปด้วยกันหรือมนุษย์ชักชวนข้างเดียวผู้ชนก็ชักชวนข้างเดียวทีกสุดไม่ได้ชักชวนและไปผิดสังเกตต่างก็คือนัดกันแล้วไปไม่ตรงเวลากันหรือว่าชักชวนกันไปเพราะว่ามีอันตรายและที่ถูกเป็นบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัตก็คือไม่เป็นอนบัต สิกขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานัติกะมีองค์สี่ก็คือเป็นพวกโจรอย่างหนึ่งรู้อยู่แล้วก็ชักชวนกันทั้งสองข้างอย่างหนึ่งไปร่วงอุปจาระบ้านอื่นหรือว่าร่วงกึงโยดไม่ผิดสังเกตอย่างหนึ่งพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาจิตตีเป็นพยัสัทัสมุตฐานมีสมุตฐานสองก็คือเกิดแต่กายชิตอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาชิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาเพราะว่ามีการชักชวนกัน สัญญาวิโมกสจิตตกะต้องรู้มีเจตนาในการที่จะชักชวนเดินทางปันนติวัชชะแล้วก็กายกรรมจีกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามต่อไปในสังวิธานติขาบทที่เจ็ดความว่าทิกจุใดชักชวนหญิงผู้รู้ความและหญิงก็ชักชวนด้วยกันทั้งสองข้างเดินไปทางเดียวกันไม่ผิดสังเกตการ เป็นอาบัติทุกฏกและปาจิตีิดังกล่าวแล้วในสิกขาบทกนในมาตุคามเป็นติกาปาจิตติในนางยักษ์และนางเปรตและบรรเดาะและสัตว์ประหลาดตัวเมียมีกายดังมนุษย์เป็นทุกฏเพี้กตุชักชวนข้างเดียวหญิงไม่ได้ชักชวนหรือไม่ใช่หญิงแต่ว่าสําคัญว่าเป็นหญิงหรือสองสัยอยู่เป็นทุกกฏรู้ว่าไม่ใช่หญิงเป็นอนาบัต ในอนาบัตรนอกนั้นเหมือนสิขาบทตอนยกแต่อันตรายอย่างเดียวเป็นอนาณติกะนะก็คือใช้ให้คนอื่นไปชักชวนนี่ไม่เป็นอนบัตรมีองค์สามก็คือชักชวนด้วยกันทั้งสองข้างแล้วก็เดินทางไปอย่างหนึ่งให้ติตสังเกตอย่างหนึ่งร่วงอุปจาราบ้านหรือว่าร่วมถึงโยอดคือแปดกิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยอย่างหนึ่งพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นปจิตตีถ้าเทยสัทธะชักชวนพวกโจรพวกต่างผู้เป็นโจรเนี่ยนะ เป็นต่างผู้เป็นโจร น, นี้มีองค์สีต้องเป็นพวกโจรด้วยรู้อยู่ชักชนวนกันทั้งสองข้างล่วงอุปจาระบ้านอื่นไปแล้วก็หรือว่าล่วงถึงโยตไปแล้วก็ไม่ผิดสังเกตด้วยแต่ว่าชักชวนมรดุขามนี่มีองค์สามเท่านั้นก็คือชักชวนด้วยกันทั้งสองข้างแล้วก็เดินทางไปอย่างหนึ่งไม่ผิดสังเกตอย่างหนึ่งแล้วก็ล่วงอุปจาระบ้านหรือว่าล่วงถึงโยตไปพร้อมด้วยองศ์สามนี้ก็เป็นปราชิตตี อันนี้เป็นอัถนาสมุทฐานอัถนาสมุทฐานมีสมุทฐานสก็คือเกิดจากกายอย่างหนึ่ <ừ. S 1> งเกิดแต่กายวาจาอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดแต่ตายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นเิริยาเพราะว่ามีการชักชวนกันโนสัญญาวิโมกข์อจิตตกะเป็นปันนติวัชชะชักชวนพวกโจรนี้ต้องเป็นสัจิตตะเป็นสัญญาวิโมกแต่ว่าชักชวนมาดุขามนี้เป็นอจิตตะจะเป็นโนสัญญาวิโมกแล้วก็ปันนติวัชชะเป็นกายกรรมอชีการมีจิตตามเวทนาตาเหมือนกัน ต่อไปในสิกขาบทที่แปดอริฏฐสิกขาบทความว่าทิ่จุดใดมีทิฏฐิความเห็นผิดว่าสัมผัสหญิงไม่มีโทษเหมือนสัมผัสเครื่องลาดอันอ่อนไม่เห็นโทษในการล่วงเมถุนดังนี้กล่าวตูพระพุทธเจ้า ว, ว่าอานาวีติกามันตรายการก้าวร่วงสิกขาบทบัญญัติดังยินดีในสัมผั ส, สตรีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นอันตรายแก่สวรรค์นิพพานนั้น เราเห็นว่าไม่เป็นอันตรายแกคนผู้ยินดีสัมผัสตรีเธอกล่าวดังนี้ให้พิจุทั้งหลายอื่นซึ่งได้เห็นได้ยินพึงแสดงโทษสงครามมาคุณห้ามปรา์เธอเสียสองครั้งสามครั้งเมื่อเธอไม่สละทิฏฐิน้ำเสียต้องอบัตทุกกฎแม้พูดที่ได้ยินแล้วไม่ห้ามก็ต้องอบัตทุกกฎเหมือนกันแม้เธอไม่สละแล้วพึงพาตัวไปในถ้ำกลางสงห้ามปรา์อีกครั้งเธอไม่สละก็ต้องทุกกฎอีก เมื่อเธอไม่สระดังนั้นสงพึงสวนสมนุภาพคือประกาศห้ามเธอสามครั้งด้วยยติจตุถกรรมวาจาเพื่อจะให้สระทิธินั้นเมื่อเธอไม่สระเสียต้องทุกข์กดในขณะจบยติที่หนึ่งและในขณะจบอนุสาวนาที่หนึ่งที่สองเมื่อจบอนุสาวนาที่สามต้องปาจิตตีถ้าจบอนุสาวนาที่สองนี่ก็ต้องอับัตทุกข์กดอนุสาวนาที่สามจบก็อบับตาจิตตี 8, 10, ต สิกขาบทข้อนี้ก็เป็นสามนุภาพสมุธฐานเกิดทางกายวาจาจิตสมุธฐานเดียวเป็นอากิริยานเพราะว่าไม่กระทิธิสัญญาวิโมกข จ, จิตกะโลกวบะชะ ก, กายกรรมวจีกรรมแล้วก็เป็นอกศุศลจิตทุกเวทนาแสดงว่เาเกิดกับโทสัตต์ต่อไปอุคิตะสัมโพคสิกขาบทที่๙ความว่าพิสุดใดต้องอุเคปนิยกรรมก็คือถูกทรงยกวัด เพราะไม่เห็นอาบัตไม่แสดงอาบัตเสียหรือไม่สลับทิฐิสามอย่างนี้จำพวกใดจะพวกหนึ่งสงฆ์ยังไม่ระงับกรรมนั้นให้แล้วพิสุใดรู้อยู่ดังนี้และทำอามิสสามโพคะก็คือให้อามิสหรือว่ารับอามิสกับเธอนั้นหรือทำธรร ม, รร ม, สมะสัมโพคะคือสอนธรรมเรียนธรรมกับเธอนั้นประดีทำสังฆกา ร, รมเป็นต้นว่าอุโบสถและปรารณาด้วย และนอนในที่มุงบังอันเดียวกันแม้มีอุปจาระต่างกับเธอนั้นต้องปาจิตตีทุกๆประโยคเลยสมุทฐานก็สามมณติ น, นาทานสมุทฐานกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญามิโมกสจิตตกะเป็นปันนักติวัชะกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มีจิตตามเวทนาสามต่อไปในการตะกะสิกขาบทที่ติดความว่าแม้สามเณรมีทิฏฐิผิด กล่าวตู่พระพุทธเจ้าดังในอริฏฐสิกขาบทก่อนพียกตุทั้งหลายผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงแสดงโทษการมคุณห้ามเสียสองครั้งสามครั้งถ้าเธอสละทิฏฐินั้นเสียเป็นการดีถ้าเธอไม่สละสาพึงทมนาสนะเธอเสียด้วยคำว่าอัจชะตะเทเ ต, ตอุโตสมุตเดสะนาเจวะโซคสวาสทะอปิสิตะโบ ยาปีจันเยสมาุเดชาละพันตีติคู่หีสัติงเดวีราตติรถาาังสาส่ยังาธิตนาทีเจราติเรวินาสาติให้ยิ้ายนะก็คือขับไล่ น, นั่นเองดูก่อนสมนุทเทศภูมิอายุตั้งแต่วันนี้ไปทัญฑ์อ้างพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นว่าเป็นศาสนาของเธอเลยสามเณรทั้งหลายอื่นย่อมได้ตอนนอนร่วมกับพิกุตสอสามคืนแม้อันใดแม้ความนอนร่วมกันนั้นย่อมไม่มีแต่เธอ เธอจงไปเสียเธอเจ้าคนชั่วจงชิพหายเสียเธ อ, เธอก็ขับไล่ให้ชิพหายดังนี้เทียบตัใจรู้อยู่ว่าสามเณรอันสงให้ชิพหายดังนี้แล้วและเกลี้ยกล่อมคือให้บริหารหรือว่าสอนทำให้ก็ดีให้อุปทานตนยินดีรับจุนและไม้สีฟันเป็นต้นหรือทำสมโพคะทั้งสองก็คือทั้งอมิสมสมโพคะาสมโภคด้วยอมิสหรือว่าธรรมสำโพคะสมโภคด้วยธรรม และร่วมสาสิญะนอนร่วมกันกับสามเณรนั้นดังกล่าวแล้วในสิทธาบทกรต้องปาจิตติทุกๆประโยคเลยสมุทฐานก็เหมือนกับอริฏฐาสิทธ า, ธาบทก็คือเป็นสมุทฐานเรียกวสมนุภาพสมุทฐานไม่สลัทิทฐิเกิดจากกายวาจาจิตนะสมุทฐานเดียวเป็นอิริยาสัญญวิโมกเป็นสัจจจกะแล้วก็เป็นโลกวัชชากายกรรมจีกรรมอกุตตจิต เป็นทุกขเวทนาเกิดจากควาไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมสละทิฏฐิไปกินร่วมนอนร่วมกับสามเนรผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ก็อาบัตตากิตตีอันนี้ก็จบสิกขาบทที่สิบในวัคที่เจ็ดชื่อว่าสปานวักวักที่แปดเป็นธรร ม, มิกวักก็ไว้วันพรุ่งนี้ก็กันก็ขอให้ท่านเจ้าหนาทเจริญด้วยสินธรรมทิปปัญญาแล้วก็อบรมไตรสิจขากระทํากิจในพระพุทธศาสนาซึ่งก็จะมีกิจอยู่ส อ, อย่าง ก็คือคันถธุระอย่างหนึ่งกับวิปัสนาธุระอย่างหนึ่ ง, ก, ง, งก็ขอให้ถ้าไม่ได้คันถธุรัไม่ได้ตรงคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้สืบทอดศาสนาอย่างน้อยก็ทรงจําแนวทางการปฏิบัติโดยการศึกษาปริยัตินั้นแล้วก็น้อมนํามาปฏิบัติจนกว่าสบายลุปฏิเวสเป็นการทําให้ศาสนาดํารงมั่นอยู่เหมือนกันก็ขอให้เจริญในกุศลธรรมแล้วก็เจริญในพระพุทธศาสนานี้จนกว่าจะทำตนให้พ้นจากทุกสาทุ สาธุสาธุ